สิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักคยปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วกลับออกปากขอของอีกอย่างณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบไกร ตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วกลับออกปากขอของอีกอย่างหนึ่งในนิสสกิยาปาจิตติสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานละ